ฉันตัดสินอย่างนี้แล้วก็ต้องทําตามอย่างนี้สิบางทีเราเริ่มเริ่มจะมีลักษณะ น, นี้ออกมาถ้าอย่างงี้เราเริ่มผานประโยชน์ตนของเราแล้วโดยที่เราไม่รู้กิเลสเราวันโอ้โหยิ่งทําไปยิ่งทําไปนี่ปฏิเดชการจะยิ่งมากขึ้นทั้งปฏิเดชการทางความคิดทั้งปฏิเดชการในเรื่องวัตถุเข้าของทั้งปฏด็ดชการในเรื่องอะไรอ่ะนโยบายการดูแลแรงต่าง เขาที้ชักจะเบ็ดเสร็จมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยประโยชน์ตนจะโดนผ่านแล้วนะส่วนประโยชน์ท่านจริงอาตมาก็บอกแล้วถ้ามาปฏิบัติธรรมในหมู่กลุ่มพวกเราส่วนใหญ่ไม่หยาบไม่เลวร้ายอะไรเหมือนโลกโล ก, โลกข้างนอกเขาหรอกส่วนใหญ่ก็ยังคิดในแง่ดีคิดในแง่กุศลคิดในแง่ที่จะช่วยเหลือจุนเจีอคนอื่นๆเขาอันเนี้ยส่วนใหญ่ประโยชน์ท่านเนี่ย จะค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าถ้าเพลิสติขาสติเนี่ยเรามากักจะใช้ทิฏฐิความคิดเห็นของตัวเราเนี่ยเป็นใหญ่เราจะตัดสินโครมโคลมโคล ม, มลงไปซึ่งบางทีเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นประโยชน์ท่านแต่มันเป็นประโยชน์ท่านตามความคิดของเราบางทีเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบด้วยก็ได้จริงเราคิดในทางที่ดีนะว่าถ้า เราจัดการอย่างนี้ลงไปแล้วนะคนอื่นๆเนี่ยจะได้ผลดีจากอันนี้คือเราคิดว่าดีตามความคิดของเราแต่ของเราคนเดียของเราคนเดียวซึ่งบางทีเราทําเพื่อคนอื่นก็จริงแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเรานะหรือเขาอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้นั่นแหละหรือบางที ไอ้ที่ทําลงไปอะ่ะทําไปแล้วเขาชอบใช่นะเพราะว่าผู้บริหารบางทีนะเนี่ยถ้าถ้าตามไม่ทันนะกลัวจะเสียอํานาจเหมือนกันเพราะันจะต้องรักษาอํานาจของตัวเองไว้เพราะฉนะนั้นบางทีต้องซื้อเสียงไว้ก่อนถ้าเป็นพวกสสนะถ้าเป็นพวกทางการเมืองเขาต้องซื้อเสียงไว้ก่อนอ่าบางทีเราก็เอ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวข่าวหน้ายิ่งทางระบบของอโศกเรานี่นะสมัยที่เลือกสมภารเนี่ย บางทีเราจะมีโพออกมาเมื่อกันนะว่าดูสิศรัทธาใครแค่ไหนแล้วก็ทำดีทำไม่ดีมายังไงเดี๋ยวเราขืนไม่เอาใจมหาชนทั้งหลายเดี๋ยวอาจจะสูญเสียตำแหน่งก็ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นบางทีเราทำบอกว่าเพื่อประโยชน์ท่านแต่จริงๆริะเราเริ่มทำไปแบบตามใจลูกวัดแล้วลูกวัดจะได้ไม่เกลียดเรา อ้าอันนี้มันเป็นอีกมุมหนึง่งซึ่งประโยชน์ตนของเราเราเราจับได้ทันไหมเนี่ยว่าเอ้เราชักจะติดยศแล้วนะติดอำนาจติดตำแหน่งแล้วนะเราเราจะพยายามทำเพื่อที่รักษาตำแหน่งเราเอาไว้เพราะมหาชนจะได้ชอบเราประชาชนทั้งหลายขาวต่อไปจะได้ให้คะแนนสนับสนุนโพจะได้ออกมาคะแนนดีหน่อย คะแนนเราจะได้ดีหน่อยเนี่ยจับทันไหมถ้าจับทันเราก็จะรู้ว่าอาเอาอีกแล้วแม้อย่างนี้เราก็สูญเสียประโยชน์ตนแล้วก็จะเสียประโยชน์ท่านด้วยเพราะคราวนี้ที่บางทีเนี่ยเราทำให้ให้พวกลูกวัดเนี่ยปรากฏว่าเราทำตามใจเขามากกว่ามากกว่าที่จะทำตามจริงหรือทำตามความดีหรือทาตามความถูกต้องเนี่ย ประโยชน์ท่านก็จะเสื่อมก็ได้ประโยชน์ท่านจริงๆอะนะไอ้ส่วนทําในสิ่งที่เขาชอบใจมันก็แงอยู่แล้วไอ้อย่างนี้มันประโยชน์ท่านแบบโลกๆมันไม่ใช่ประโยชน์ท่านที่แท้จริงนะอันเนี้ยถ้าเข้าใจไดนะ้นี่ลายมาสองตัวแล้วนะลาบยศสรรเสริญก็ไม่แตกต่างจากสองตัวข้างหน้านั่นเลยแต่ต่างกันตรงคราวนี้สรรเสริญ ไม่ได้เป็นวัตถุมันจะเป็นข้าขอไม่ได้เป็นยศตำแหน่งแล้วอาจจะเป็นตำแหน่งเล็กๆนี่แหละเราเนี่ยเป็นลูกวัดแต่ลูกวัดก็มีหัวใจนะแหมเดี๋ยวหาว่าลูกวัดไม่มีหัวใจเพราะฉะนั้นลูกวัดก็ไม่อยากโดนด่าเหมือนกันนะไม่อยากโดนตําหนีตีเตียนนะลูกวัดก็อยากให้คนชมเหมือนกันอนะแหมบางทีคราวนี้เลยประโยชน์ท่าน ของเราเราก็ทําหน้าที่อะไรบ้างอ่ะทํางานตรงไหนบ้างอ่ะอ่าบางคนอ่ากวาดลานวัดแม่ขยันกวาดจังเลยโหประโยชน์ท่านคือประโยชน์ของส่วนรวมนี่ดีมากขยันกวาดแต่กวาดไปกวาดไปใช่ไหม <laughs> เพื่ออะไรอ่ะ <laughs> ต้องถามใจตัวเราเองเนี่ยกวาดไปนี่เพื่ออะไรต้องถามให้ชัดตอนแรกวันแรกๆอาจจะไม่คิดอะไรก็ได้ มาแรกๆนะคิดทำบุญคิดทำดีก็กวาดแหม่สบายใจนะจิตว่างๆจิตเป็นกลางกกวาดเอาบุญเอาบุญเอากุศลเอาจิตดีเลยจิตเป็นกุศลเลยแต่พอกวาดไปกวาดไปวันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้ววันที่สามก็แล้วโอ้เรากวาดกี่วันกี่วันทําไมมันเงียบๆ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นมีใครพูดถึงเราบ้างเลยเอาเลยตีข่าวเนี้ยมันจะเริ่มวัดผล ภาษาต่างๆเหล่านี้จะเป็นเริ่มเป็นเครื่องวัดผลว่าเออเราเนี่ยนะทำอะไรไปเนี่ยยังชอบกินลูกยออยู่บปล่ะนะน้ำลูกยอเขากำลังดังนะเราเราเราเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ชอบกินน้ำลูกยอ <c oughs> จะตทั่วไปก็ตาม <c oughs> ทุกหน่วยงานอ้าวจริงๆคุณไปสังเกต ด, ดูสิ คุอยู่หน่วยไหนก็แล้วแต่ละ่ะต่อให้เป็นคราวาก็ตามต่อให้เป็นนักบวชก็ตามวัดผลได้นะว่าประโยชน์ประโยชน์ตนของเราเนี่ยหรือประโยชน์ท่านเนี่ยถูกต้องแท้จริงไหมนะคุณยังติดอยู่ในโรคกระทำแปดนี้หรือเปล่าแหมเะกี้พูดกระดกกรินนะโรคกระทำแปดที่จริงโลคกระทำแต่มันเป็นโรคจริงๆอ่ะเป็นโรคเลยอ่ะ นะเพราะนใครติดโลกกระทำแปดเนี่ยคนนั่นจะเป็นโรคเป็นโรคกิเลสะนะยิ่งสรรเสริญเนี่ยมันไม่เป็นวัตถุไม่เป็นความเป็นเข้าของอะไรให้คุณได้เห็นนะนะจริงๆคุณวางได้ขนาดนึงแล้ะคุณเบาใจได้ขนาดนึงแล้ะคนที่สลัดหรือว่าตัดวัตถุเข้าของออกไปได้เนี่ยคนนั่นจะเบาขนาดนึงแล้วแต่ยังติดนามธรรม ความยินดีพอใจว่าอยากให้มีคนชมอยากให้มีคนยกย่องซึ่งจริงๆอันเนี้ยนะถ้าโดยส่วนคุณทำดีไปเนี่ยคุณไม่หวังคำชมอะไรเลยนะในที่สุดถ้าคุณไปทำในหมู่คนเลวอ่ใช่อาจจะไม่มีใครชมคุณเลยเพราะคนเลวมันไม่เพียงจะไม่ชมจะด่าให้ด้วยเพราะว่าไปทำในสิ่งที่บางทีขัดแย้งกับรสนิยมเขา เพราะว่าเราจะทําดีอ่ะใช่ไหมมันจะขัดแย้งกับเขาแต่ถ้าคุณทําในหมู่ถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยกันนันมาบอกได้เลยแม้คุณไม่ปรารถนาอะไรคุณไม่อยากให้มีใครมาชมคุณเลยคุณกลัวด้วยคุณกลัวคนจะช ม, เ, มะ เ, เ, พะเพราะเดี๋ยวมันจะเหลืงหรือเผลอเดี๋ยวมันจะได้ใจหรือเผลอเผอจริงเราก็รู้ว่าเรายังมีกิเลสอยู่แต่ไม่อยากเห็นหน้ากิเลสตัวนี้ เพราะฉะนั้นกลัวเดี๋ยวชมมากๆแล้วไอ้กิเลสตัวนี้โผล่แลแ้วแหมเสยียใจ <c oughs> โอ้เรายังมีเยอะเหรอมันจะเสียใจเสยียใจก็เป็นกิเลสเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้เราทําดีไปอย่างเนี้ยยิ่งทําการมิตร ด, ดีสหายดีคุณไม่ปรารถนาเลยแต่เสียงยอกย่องเสียงสรรเสริญเทวดาก็จะแซ่ซ้องมา <c oughs> นี้ไม่พ้นเลยคุณพยายามจะ พักทิ้งด้วยคุณพยายามปฏิเสธด้วยแต่เทวดาก็จะสรรเสริญอยู่ดีอันนี้ไม่มีทางเลี่ยงเลยเพราะฉะนั้นนะเนี่ยเริ่มยากขึ้นเรื่อยเรยนะสรรเสริญนี่ยากกว่าสองสองและยากกว่าลาบยากกว่ายศนะคือคือลาบเนี่ยที่เป็นวัตถุเข้าของเนี่ยหยาบหยาบอ่ายศเริ่มละเอียดขึ้นสรรเสริญ ยิ่งละเอียดยิ่งขึ้นเพราะแม้แต่คราวนี้นะคุณดูนะเรื่อกี้นี้อาตมาพูดว่าแหนยังอยากจะยินคนนั้นชมเราบ้างอะไรบ้างนะเสร็จแล้วคราวนี้แม้ว่าคุณเนี่ยไม่อยากให้มีใครมาชมคุณหรอกแต่คุณเนี่ยคุณทําคุณขยันทําอย่างดีนะาเน็ตเหนื่อยแล้วก็โอ้โหบางทีป่วยนิดป่วยหน่อยแล้วก็สู้เราก็พยายามทําบางทียังไม่แคล้วเลย ไม่แคล้แลวแหละฮะไม่แคล้แลวแหละไม่มีใครชมเราก็ชมตัวเราเองก็ได้เอาจริงๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเป็นไปตามธรรมเนี่ยนะถ้ามันเป็นเรื่องของปิติเป็นเรื่องของสุขเป็นเรื่องของความยินดีพอใจที่เป็นไปตามธรรมอย่างเช่นเราทาดีอะไรแล้วเนี่ย เรามีปิติเรามีสุขเกิดขึ้นในการที่เราทำดีนั้นจริงๆอันนี้ก็เป็นความถูกต้องไม่ได้เป็นความผิดพลาดอะไรแต่คุณต้องรู้ว่าแม้ปิติแม้สุขความยินดีพอใจว่าเราได้ทาดีแล้วหนอนี่เป็นบุญกุศลของเราแล้วหนอก็จริงเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเราได้ตามธรรมนะและเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยตามธรรมแต่มันก็ยังเป็นกิเลส น, นะ จริงมันจะเป็นเชื้อที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะทําดีต่อต่อไปเพราะฉะนั้นอิทธิบาทเนี่ยที่เราต้องมีฉันทะเข้าไปตัวเนี้ยนะก็คือตัวนี้ยแหละที่ก็ต้องมีความยินดีต้องมีความพอใจอะไรเนี่ยใส่เข้าไปเราถึงอยากจะทําต่ออีกอยากจะทําต่ออีกถ้าจะว่าเป็นกิเลสก็จริงแต่มันเป็นกิเลส ท, ที่ละเอียดขึ้นแล้วนะคุณอย่าไปดึกดียาเหมือนไอคน้คนตอนตอน้ตนนะมันเป็นกิเลส ท, ที่ละเอียดขึ้น แต่ก็ยังเป็นกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นถ้าตาบใดคุณยังมีความยินดีพอใจอันเนี้แล้วคุณจะยิ่งขยันถูกไหมขนาดอาตมาบอกแล้วว่าไม่ไม่ต้องให้คนอื่นมาชมคุณเลยคุณยินดีคุณชมตัวเองเนี่ยแมเราขยันเราขยันแมเราทําดีเราทําทดีเราได้บุญเยอะเราได้บุญมากคุณชมอย่างเงี้ยคุณชมอย่างเงี้ยชมอยู่ทุกวันคุณชมอยู่บ่อยๆ แล้วคุณจะไม่ติดเหรอคุณก็ติดเสร็จถ้าวันไหนคุณทาพลาดพลั้งไปหรือเกิดวันนี้เกิดโอ้ไม่มีอะไรให้ทำเลยนะคราวนี้ชักอยู่ไม่เป็นสุขละเพราะอะไรฮะเพราะอะไรจะไอ้นุ่นจะทำไอ้นี่จะไปทาไอ้นุ่นเขาแย่งทำไป ห, หมดเลยจนเราไม่มีโอกาสจะได้ทำอะไรเลยสักอย่างหนึ่งโอ้โห จะไปขัดห้องน้ําห้องส้วมเขาก็แย่งขัดซะก่อนแล้วจะไปกวาดลานวัดไปกวาดใบไม้เอโอ้โหไปถึงโอ้โหมีคนแย่งกวาดไปก่อนแล้วแม้จะไปช่วยล้างถ่วยล้างชามมาถึงโอ้โหขนนั่งเป็นตับเลยก็ล้างไปกันหมดเสร็จหมดแล้วเป็นไงคราวนี้ชักหงุดหงิดแล้วสิเพราะว่าวันนี้ไม่ได้บิติไม่ได้ยินดีกับการที่เราจะได้บุญ มากๆเลยวันเนี้ยวันนี้เริ่มอะไรละตรงขัางข้ามกับกับลาบที่เล็กี่บอกคืออะไรเสื่อมลาบหรือเสื่อมยศคราวนี้เสื่อมบุญ <c oughs> เสื่อม <c oughs> เสือมอะไรโอกาสที่จะได้ทําบุญได้ความดีแต่เราเนี่ยเราไปขี้โลภเอาไว้ใช่ไหมว่าเราอยากได้เราอยากได้ยิ่งถ้าอยากให้คนชมนี่ยิ่งชัดไม่มีใครชมเงี้ยคุณก็ เหี่ยวละโอ้ทาไปแล้วไม่มีใครชมยิ่งถ้าตรงกันข้ามกับคนสรรเสริญ น, นะตรงข้ามกับคนชมก็ยิ่งโดนติควนี้เราว่าเราไปทําดีนะแล้วคุณเนี่ยชัดเลยว่าเอ๊ะเรามากวาดลานวัดเนี่ยเราก็ว่าเราตั้งใจดดแล้วก็วาดดีแล้วก็มันก็โลกจริงด้วยเอกวาดอยู่ดีๆเอามีคนมาว่าอีกเนี่ยเออ บอกไม่มีอะไรอย่าทำ嘛เออย่างอื่นมีทาต้องเยอะมากกว่าทำไมเนี่ยอ้าวนี่เขาตีแล้วนะหรือบางทีกวาดไปกวาดมามีเหมือนกันเนี่ยบางคนอาจจะมาก็ไปพูดกับเขาอะแต่คิดว่าเขาไม่โกรธหรอกนะแนะนำเขาอะแต่ไม่รู้นะบางคนอาจจะคิดเป็นตรงข้ามก็ได้บางทีเขากวาาเนี่ยโอ้โหเขาขยันกว่า ด, ดีมากเลยน่าฝุ่นฟุ้งเลย นะกวาดออกแรงโอ้โหปุ่นพุ้งเลยนะบางทีอาจารยก็บอกโยมโยมนะเวลาเขากวาดไอ้พวกใบไม้อะไรเนี่ยที่มันอยู่กับทรายอะไรพวกนี้ยเขามีวิธีกวาดนะเขากวาดแต่ใบไม้เขาไม่กวาดฝุ่น <c oughs> เขาไม่กวาดทรายว่าพยายามกวาดยกยกไม่กวาดหน่อยให้มันลอยลอยหน่อยนะไม่ต้องไปจมลึกแล้วไม่ต้องโอ้โหออกแรงมากด้วยอย่างนี้ก็เหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนติเขาแล้วนะเหมือนสอนเขาเลย อ้าวบางทีเนี่ยถ้าเขามีพบหรือว่าเขาคิดอยู่ในใจว่าโอ้โหอุตส่าห์มาทำดีอย่างนี้แล้วน่าจะชมเราสิทำไมยังมันมม า, ม า, ม า, มาติมาว่าเราอีกเหี่ยวเลยเหมือนกันนะเหี่ยวเลยเนี่ยนี่ยคือโทษภัยของกิเลส ท, ที่บอกว่าถ้าเรายังติดแล้วเรายังหลงอยู่กับโลกธรรมพวกนี้มันก็จะเกิด อ, อาการที่สูญเสียประโยชน์ตนสูญเสียประโยชน์ท่านได้ น, นี่มาถึงสารเสื่อแล้วนะคิดว่ายกตัวอย่างแค่แค่นี้เราไปคิดกันต่อได้เราไปเปรียบเทียบตัวเราเองต่อได้เพราะอยากจะพูดตัวสุดท้ายละตัวสุขตัวสุขนี่ยากยิ่งกว่าตัวสารเสรื่อจริงนะตัวเนี้อาตมาว่ามันยากที่สุดเลยเพราะลาบนี่นะมันก็จะมาลงที่สุขถูกไหมอยากได้ลาบมากมากมาก็หวังว่าจะได้มีความสุขยศ อยากจะได้ยศมากๆตำแหน่งสูงๆใหญ่ๆ ห, หรือมีอำนาจก็เพราะมีแล้วคิดว่ามีความสุขได้รับสรรเสริญไม่ถูกใครเขานินทาว่าร้ายอะไรมานาเราปรารถนาอย่างนั้นก็เพื่ออะไรเพราะถ้ามีคนยกย่องสรรเสริญไม่มีโดนดินทาเลยไม่โดนด่าว่าอะไรมาเราก็เป็นสุขควสุขตัวเนี้มันโหมันจะคุมตัวข้างหน้าเลยนะตัวเนี้แหละยากที่สุดเลย ถ้าใครเนี่ยไม่ระวังให้ดีนคุณจะประมาทได้ง่ายกับตัวสุขแล้วส่วนใหญ่ก็จะติดสุขนี่แหละโดยส่วนใหญ่ยิ่งถือศีลปฏิบัติธรรมทำได้ดีด้วยระวังลาบยศเสริเสริญอย่างดีมาได้ตลอดเสื่อมลาบเสื่อมยศโดนนินทาอะไรระวังมาตลอดเลยแต่มันจะมาติดแป้นที่สุขนี้ก็ได้ยังยินดียังพอใจที่ ได้ได้เสพได้สบายแบบนี้แหละถ้าฉันได้ทำแบบนี้แล้วฉันพอใจฉันสบายนะเริ่มเข้าใจผิดผิดในคำว่ามักน้อยเพราะเริ่มมักน้อยแม้แต่กุศ ล, ลธรรมคราวนี้นะเริ่มมักน้อยแม้กุศ ล, ลธรรมเพราะคนที่ติดสุขนี่นะสบายแล้วนี่ มันได้เสพแล้วตามที่เราทำเนี่ยในชีวิตประจาวันเราเนี่ยเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขเรามีความสบาย ม, มันก็อยากจะทำอยู่อย่างนั้นแล้วก็เสพอยู่อย่างนั้นเนี่ยเริ่มมักน้อยในกุศลธรรมแหละซึ่งผิดผู้เจ้าสอนให้มักน้อยเออมักน้อยในปใจัจจัยสนะมักน้อยในไอ้ของจาเป็นที่เราจะต้องใช้ในชีวิตอะไรต่างๆ่า ง, างลาบยศเสรญ ส, สุขอะไรพวกนี้เอามักน้อย ไอ้มักน้อยมานะเนี่ยแม้แต่สุขจริงๆท่านก็ไอ้สุขแบบกิเลสอ่ะสุขแบบติดแป้นสุขแบบกิเลสเนี่ยจริงๆก็ต้องให้มันน้อยลงด้วยถ้าจะปรารถนาความสุขก็ต้องปรารถนาความสุขที่เป็นโลกุลตระอันนี้ความสุขที่จะเป็นแบบโลกุตระมันหมายถึงกิเลสเราต้องลดลงอีกใช่ไมเพราะั้จะมักน้อยในกุศลไม่ได้เลย จะมากน้อยในกุศลไม่ได้วันข่าวนี้คุณจะติดอยู่กับที่ไม่ได้แนละ้วทำดีอะไรไปวันนี้ทำดีอะไรไปได้เอาพรุ่งนี้คุณอาจจะทำอีกทำอีกทาอีกทาอีกจนกระทั่งโอ้โหคล่องไปหมดเลยนะรานนี้ทำอะไรได้ใครก็ชื่นชมใครก็ยกย่องใครก็สรรเสริญแต่เราไม่ติด <c oughs> นะใครจะชื่นชมใครจะยกย่องใครจะให้ยกฐานะตาแหน่งอะไรโอ้สบายมากไม่สนไม่อะไรเลย แต่เราติดอยู่กับที่อย่างเงี้ยนะฉันขออยู่อย่างนี้ของฉันเนี่ยฉันสบายใจฉันและใหม่ๆละ่ะถูกต้องเป็นปิติเป็นสุขที่เกิดขึ้นตามธรรมแต่พอคุณสบายไปสักระยะหนึ่งขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยพอตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสบยวมิมุติสุขของท่านเนี่ยจากการตัดสรู้ได้อยู่สีสิบาวันนั้น เจ็ด uh, แห่งนะตายตนโพมั่งตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างนะตายตนอะไรต่ออะไรเนี่ย uh, แห่งระเจ็ดวันนะท่านเขาใช้คำว่าสเสวยวิมุตติสุขสเสวยความสุขจากการโอ้โหหลุดพ้นได้อย่างยิ่งใหญ่สี่สิบ้าวันนะอันนั้นเป็นผลจากการที่คนเราเนี่ย ทำดีอะไรไปแล้วเนี่ย เ, เป็นการตอบสนองว่าเมื่อเราเราลดกิเลสลงไปได้เราหลุดจากกิเลสหรือบรรเทากิเลสลงไปได้เนี่ยสภาพเบาสบายหรือว่ามีความสุขจากกิเลสเนี่ยมันหลุดล่อนออกไปบ้างเนี่ยนะหรือว่าหมดเกลี้ยงออกไปได้มันจะมีอาการขึ้นมาให้เราได้สัมผัสให้เราได้มีความสุขสบายอันนั้นจริงแต่เมื่อความสุขสบายนั้น ได้ขนาดถึงแล้วนะถึงบอกว่ามันต้องมีวันเวลาต้องมีการจํากัดเพราะหยุดอยู่ในกุศลไม่ได้ไงเพราะฉะพอเสวยไปอย่างพู้เจ้าเนี่ยท่านเสวยไปสี่สิบเก้าวันหลังจากนั้นมาก็ยังไงละคราวนี้พิจารณาเสร็จก็ออกมาปลดคนละต้องลำบากแล้วสิคราวนี้จาแบบ ไม่ยุ่งอะไรกับใครแล้วก็เสวยแต่สุขของท่านสบายของท่านทำไม่ได้นั่นไม่ใช่วิธีการไม่ใช่หลักการอย่างผู้พ้นทุกข์หรือว่าผู้หมดกิเลส ข, ของพุทธถ้าของพุทธแล้วนี่ไม่มากน้อยในกุศลเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นถึงพระพุทธเจ้าเห็นไหท่านก็แหมพรมมาราธนาเห็นไหมบอกโอ้โหจะไม่สอนคนนี่ไม่ได้นะต้องสอนนะ เพราะฉนั้นแม้ลําบากโอ้โหต้องลอนต้องมาสอนคนโน้นคนนี้เจออย่างพระเทวทัศตบ้างเจอฉับพังคีบ้างเจอตัวโอ้โหลัทธิศาสนาอื่นบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหยากลําบากถ้าติดสุขอยู่อย่างนั้นนะมีเหรอจะมาลําบากจะมาสอนคนให้เมื่อยให้เหนื่อยไปทําไมเพราะท่านสบายทันอยู่แล้วอะวันอาตมาถึงบอกว่าเนี่ย ติดสุขนี่ยากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นมันมีกําหนดของมันอยู่เราจะรู้เองแต่ละคนจะไม่เท่ากันเพราะบางคนเนี่ยเอาคุณรู้ไหมถ้าคุณกินข้าวอิ่มคุณจะรู้ตัวไหมว่ากินไปแล้วเนี่ยเออขนาดนี้อิ่มแล้วพอดีละคุณจะรู้ไหมถ้ากินมากกว่านี้บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วมันอิดอาดแล้วมันแน่นแล้วเราจะรู้ตัวเราเองถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกัน การเสพสุขที่เราได้มาโดยธรรมะก็ตามมันเหมือนกับเรากินอาหารอิ่มเพราะอิ่มเสร็จมันสบายใช่ั้มเราจะรู้ว่าอุ้ยพอแล้วแค่นี้ต่อจากนี้ไปก็คือยังไงต้องตั้งตนบนควรรามละบากอีกแล้วกุศ <c oughs> ลธรรมจริงจะเจริญถ้าตั้งตนบนความสบายหรือบนความสุขอ่ะกุศลธรรมนะ จะเจริญนะอาจจะเริ่มเลยจะเริ่มรู้ตัวเองบางคนเนี่ยอาจจะรู้ช้าก็จริงเพราะว่ามันยังมีกิเลสอ่ะแม้ก็ค่อยหน่อยนะเหมือนกับคนตื่นมาแล้วค่อยหน่อยนะค่อยหน่อยนะค่อยหน่อยนาะนู่นเก้าโมงสิบโมงไปเรื่อยอะนะจริงๆตื่นตั้งแต่ทีแรกก็ตื่นมาตั้งแต่หกโมงสมมติตื่นมาหกโมงเนี่ยค่อยหน่อยนะลืมตายทีเจ็ดโมง เดี๋ยวขออีกหน่อยนะไปแปดโมงมันเลยไปเรื่อยทั้งนั้นนี้ความจริงตื่นหกโมงะมันมันอิ่มแล้วมันพอดีแล้วเพราะฉะนั้นาศาสนาพุทธเราเนี่ยความสุขนี่แม้ได้โดยโดยธรรมะก็ตามโดยสัจจะก็ตามจะรู้ว่าแค่นี้พอแล้วแค่นี้คือพอดีแล้วพอเหมาะแล้วถ้าเรายังเสพ สุขมากกว่านี้ไปเอาแล้วสิเป็นอันตรายอันแสบผิดแล้วจะไม่เป็นประโยชน์ตนแล้วคนนี้เพราะเริ่มเป็นกิเลสแล้วไม่ใช่เป็นผลที่ได้มาตามธรรมที่เราปฏิบัติได้มันเกินแล้วเหมือนกับบอกว่าถ้าเรากินอิ่มพอดีเนี่ยที่เราจะใช้งานหรือว่าจะยังสังขารร่างกายเราไว้ได้จริงๆกินแค่นี้พอแล้วนะถ้าคุณกินมากกว่านี้เป็นยังไงละเกินกว่านี้ไป เป็นไขมัน <c oughs> นะไปเป็นโรคอ้วนไปเป็นอะไรต่อไปแล้วถ้าคุณกินมากกว่านี้มันเกินแล้วเพราะว่าร่างกายมันมันไม่ต้องใช้แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยถ้าใครปฏิบัติรรมแล้วใครศึกษาใครเข้าใจพวกนี้ได้เราจะเริ่มมาเรียนรู้ตัวความสุขที่เราได้บางคนเนี่ยปฏิบัติศีลห้ามาได้พอได้ขนาดนึงนี่เอาละเริ่มสบายเริ่มอะไรโอ้โหอะไรอเริ่มลงตัวหมดแล้ว คุณจะรู้เลยว่านี่ลงตัวแล้วนี่พอดีแล้วจะรู้ได้โดยตัวเองเลยว่าเฮ้ยนี่ชักสบายเกินแล้คุณจะเริ่มรู้นี่ชักสบายเกินแล้วนะจริงจริงเนี่ยเราทําดีกว่า น, นี้ได้ไม่ต้องมีใครมาบอกคุณคุณจะรู้เองว่าชักเป็นกิเลสแล้วรู้ได้โดยตัวเองเลยถ้าคุณปฏิบัติมาถูกทางนะคุณจับจิตคุณคุณสังเกตประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมา ได้อย่างตลอดคุณจะรู้แล้วพอรู้ปั๊บคราวนี้เราจะเริ่มไม่ประมาทแล้วโอ้ไม่ได้แล้วเราจะยังสังขารร่างกายนี้ด้วยความประมาทได้ยังไงใช่ไหมเราต้องไม่ประมาทสิแล้วเราจะทําประโยชน์ตนประโยชน์ทนะ่านน่ะให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกิเลสนี่มันเสียประโยชน์ตนเพราะฉะนั้นคนนี้จะเริ่ม ปรับตัวเองแล้วเอ้ยถือศีล เ, เ, เพิ่มขึ้นได้จะถือศีลเพิ่มขึ้นตั้งตบาอะไรได้จะตั้งตบาเพิ่มขึ้นคนนั้นจะเริ่มแล้วเพราะรู้แล้วว่าถ้าปล่อยต่อไปจากสุขมันจะกลายเป็นอะไรถ้าตัวอังข้ามันสุขอะ่ะมันจะไปเป็นทุกข์แล้วนะมันไม่เป็นสุขเพราะถ้าคนที่เข้าถึงสัจจะเข้าถึงความเป็นจริง รู้สัจจะตามความเป็นจริงนะอะไรที่เกินพอดีอะไรที่เริ่มเป็นกิเลสคุณคุณจะทุกข์เ<ม>พราะฮิริโอตปะจะเกิดขึ้นจะบอกคุณได้เลยว่านี่ทุกข์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเราเริ่มรู้แล้วว่าเราเราเลวขึ้นแล้วเราแย่เราแย่แล้วถึงบอกถ้าใครปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการของาศาสนาพุทธจริงๆแล้วเนี่ย รู้ได้ด้วยตัวเองจริงๆเลยขุจ้าท่านย้ํายืนยันตรงนี้ว่ารู้ได้ด้วยตัวเองเพราะถ้าเข้าใจตรงนี้ชัดเนี่ยอาการสภาวะจิตจะบอกเราเลยแล้วพอบอกพอเตือนเราปั๊บใช่ไหมฮิริโอตปะปาเนี่แหละจะมาเตือนทันทีเลยเราเริ่มอึดอัดแล้วเริ่มรู้สึกทุกเกิดขึ้นมันไม่เป็นสุขอีกต่อไปคราวเนี้นะเรากินสองมือ้อเลยนะสมมุตินะ สมมติว่าใครกินสองมือจนกระทั่งโอ้โหแต่ก่อนไอ้ใหม่ๆเนี่ยตอนเลิกจากจุดจิกเลิกจากหลายมือมาเป็นสองมือ้อใหม่ๆกินไปกินไปมันยังไม่ลงตัวเนี่ย อ, อพอเริ่มกินไปกินไปจนมันลงตัวคราวนี้แมมีความสุขมีความสบายกินสองมื้อได้สบายมากเลยนะไม่หิวไม่ห้ยไม่อะไรต่ออะไรแล้วเสร็จนนี้พอกินไปกินไปคุณเริ่มลงตัวใช่ไหมคุณไปสังเกตดูสิ สองมือของคุณเนี่ยแต่ละมือคุณจะเริ่มน้อยลงได้คุณไปสังเกตุจะคุณจะรู้เลยถ้าขืนกินเท่าเก่าเหมือนตอนแรกๆที่กินสองมือนะคุณไปดูเหอะจะอ้ว น, นขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆจริงๆเลยจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆไอตอนลดมาใหม่ๆจะผอมลงนานลดมาใหม่ๆนะจากไอที่เรากินจุดหยิบมาเหลือสองมือนี่นะคุณจะผอมลงแต่พอคุณเริ่มอยู่ตัวอย่างที่อาจมาบอกคุณทํำไปทําไป เรก็เริ่มอยู่ตัวนะคราวนี้มันจะกลับเป็นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้น ท, ทั้งทั้งที่คุณเลิกกินจุบจิบคุณกินแค่สองมื้อบริสุทธิ์เลยเนี่ยโอ้โหเอ๊ะทําไมมันชักอึดอัดชัดแน่นท้องชักจะรู้สึกว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณจะรู้ได้วยตั ว, ต, วตัวเองเลยเสร็จแล้วคราวนี้คุณจะเริ่มลดปริมาณลงคุณอาจจะยังกินสองมืออยู่แต่คุณจะเริ่มลดปริมาณลงจนกระทั่งคุณลดไปถึงจุดหนึ่ง คุณจะรู้เลยว่าเอ้ไอที่เราลดลงมากินสองมือเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วปริมาณมันมากินเป็นมือเดียวก็ได้คนนั้นจะเริ่มเริ่มเห็นได้โดยตัวเองสังเกตได้ตัวได้ตัวตัวเองเพราะนั้นบางคนเนี่ยพอเริ่มกินอยู่ตัวสองมือนะไปดูเหอะบางวันเนี่ยเขาก็กินมือเดียวยิ่งทําอะไรทําอะไรเพลินๆไปนะอีกมือไม่มีความหมายหรอกไม่จะกินเลย บางทีไปไปมาบางวันเริ่มกินมือเดียวโดยอัตโนมัติน่ะประเภทแม้ไม่ค่อยรู้ตัวก็ตามนะแต่ถ้ายิ่งรู้ตัวชัดเนี่ยจะรู้เลยว่าเออจริงๆด้วยเราเริ่มแล้วเริ่มเห็นทุกจากการกินสองมือแล้วเขาอยากจะเหลือมือเดียวแล้วเขาเนี้ยแล้วเขาจะเริ่มเลยคราเนี้ยจะเริ่มว่าเออบางวันจะเริ่มกินมือเดียวแล้วเขาก็จะเริ่มกินจริงๆจนกระทั่งพอคราเนี้ยเขาไหนที่สุดเขาจะเลิกสองมือได้แล้วเขาจะมาเหลือมือเดียว แล้วก็กินสบายเลยนะกรนี้แล้วคุณไปสังเกตดูนะใหม่ๆคุณก็อาจจะผอมลงหน่อยแต่เดี๋ยวพอคุณกินมื้อเดียวมื้อเดียวกินไปเรื่อยเเดี๋ยวคุณชักอยู่ตัวอีกนะคุณชักจะลงตัวคุณจะเริ่มนะถ้าคุณกินเท่าเดิมอยู่นะคุณจะเริ่มอ้วนขึ้นอีกและแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นคราวนี้เนี่ยไอ้ที่กินปริมาณมื้อเดียวอย่างนั้นน่ะอย่างเก่าอ่ะคุณจะเริ่มลดลงอีกคุณจะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยตัวคุณเอง มันจะไม่มาติดสุขเพราะโอ้โหต้องกินปริมาณเท่าเดิมแล้วตองข้ามเลยจะยิ่งเห็นเลยว่าเออเรากินน้อยลงโอ้โหมันกลับมีความสุขมากขึ้นฮะกินมากไปหน่อยสินะกลับรู้สึกทุกข์มันไม่สุขเหมือนเก่าเหมือนเดิมอีกละเนี่ยถ้าใครปฏิบัติมาได้ได้ตัวจิตตัวใจชัดเจนนะถูกต้องจะมีสภาวะทำนองแบบเนี้ย มานะซึ่งเนี่ยวันนี้ขยายนะลาบยศเสรเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกให้ฟังซึ่งถ้าเราเข้าใจอันนี้ได้เนี่ยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านของเรานะจะทำได้อย่างดีได้อย่างถูกต้องแล้วเราเนี่ยจะเป็นคนเกิดมาชาติหนึ่งชีวิตเราเนี่ยจะไม่ประมาทแล้วเราจะพัฒนาตัวเราเนี่ย ให้เจริญขึ้นได้เรื่อยๆ เ, เสมอๆ อ, อ่ะวันนี้คงฝากไว้เท่านี้